ขอากาบนอบน้อมพระรัตนตัยพระพุพะทธธรรมประสงค์ขอากาดหลวงพ่อกรมพระอาจรทรงศิลนแล้วก็เพื่อนสัทธมิตทุกท่านจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนนั่งกันตามสบายเนาะนั่งสบายสบายแบบนี้แล้วรู้สึกตัวไหมเราดูไหมว่าเรากำลังนั่งอยู่ ใชหมความรู้สึกตัวนะดูไหมว่าเรากำลังนั่งอาจจะไม่ใช่ว่าเราหรอกรู้สึกว่ากายเนี้ยกายเนะี้ยหรือว่ารูปนะภาษาภาษาบาลีรูปภาษาไทยไง่ายคือกายเนะี่ยกำลังนั่งรู้สึกทั้งตัวไหมว่าเรากำลังนั่งอยู่นะประมาณเนี้ยรู้สึกไหมแค่นี้ก็คือความรู้สึกตัวละแต่ถ้าบางคนยกมือไปพร้อมก็จะเห็นเลยว่า รูปนี้มันกระดังนั่งอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมนะแต่บางทีภาษามันอาจจะไม่ได้บอกว่ายกมือไม่ได้บอกว่านั่งแต่มันจะรู้สึกเหมือนวัตถุก้อนท่านี้มันมันดําลงอยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนคล้ายๆเราเห็นก้อนหินมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่แบบนั้นนะก่ายนี้ก็เหมือนกันมันก็ตั้งอยู่ในท่านี้แต่คราวต่อไปมันก็เปลี่ยนไปเป็นท่าอื่น เห็นไหมเนี่ยความรู้สึกตัวมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกแค่เราสัมผัสลงมาที่ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก่อนที่เราจะยกมือบางทีเราต้องดูก่อนว่ากำลังนั่งอยู่นะให้รู้สึกถึงการนั่งก่อนบางทีใจเราไปจดจ่อไปไปตั้งใจจะดูมือมันพริกดูมือมันยกอันนี้ก็อาจจะทําให้เราพลาดไป ถ้าเรานั่งอยู่ก็ให้เรารู้สึกก่อนว่าระดังนั่งน่ะนั่งท่าแบบนี้นะมันปวดมันเมื่อยมันเกร็งหรือเปล่ามันผ่อนคลายพอดีไหเนะเราดูตรงนี้ก่อนถ้าเราดูความรู้สึกตัวตรงนี้ได้ น, ะนี่เรียววกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิสุท้งหลายเธอว่ามีสติได้ในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนในอิริยบทหลักทั้งสี่ใช่ไห เราไม่ได้ทิ้งนะในการเปิดแบบหลวงพ่อเทียนแม้จะให้เป็นการดูในอิริยาบถย่อยนะแต่ก็ไมไ่ทิ้งในอิริยาบถหลักนะก็คือยือนเดินนั่งนอนอันั้นเราดูถึงอิริยาบถหลักของเราด้วยอย่างขณะนี้เรานั่งเราก็รู้สึกตัวชัดว่ากำลังนั่งต่อไปนะสมมติถ้าเราในตอนกลางวันเราไปเดินจงกรมนะ เดินจาง ก, กรมันทีเราเดินเข้ารูเดินจัง ก, กรมันทีเราก็ก็จะดูแล้วเท้าซ้ายเท่าขวามันจะย่างก่อนหรือเปล่าให้เราลองสำรวจดูอ้อกำลังยืนก่อนนะน่ะมมีท่ายืนก่อนเมื่อเข้าแล้วก็ยืนก่อนที่จริงมันก็เปลี่ยนตั้งแต่จากท่านั่งกแหละะขณะที่เคลื่อนไหวจากการนั่งก็รู้สึกตัวยืนขึ้นก่อนจะเดินจัง ก, กรมก็รู้สึกตัวเดินจะ ก, ก้าว เท่าไหนเคลื่อนแบบไรสัมผัสแบบไหนก็รู้สึกตัวไปในแต่ละขณะนะบางทีเราอย่าเราอย่าเอาแต่อิเลียบทย่อยเอาอิเลียบทลักด้วยนะยืนเดินนั่งนอนด้วยที่จริงไม่แต่ตอนนอนเราสังเกตไหมอย่างตอนเช้าเมื่อสักครู่เนะี้มาประมาณสักบางคนอาจจะตื่นสักชั่วโมงที่ผ่านมาหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงที่ผ่านมาเราจาได้ไหม ตื่นในขณะแรกเรากายมาอยู่ท่าไหนจำได้ไหมแค่สองสามชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี้ยนอนแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากายอยู่ในท่าไหนจิตใจรู้สึกอย่างไรตอนตื่นเออมันรู้สึกสดชื่นโอ้อยากจะมาทำวัดเช้าละหรือบางคนรู้สึกโอ้ขี้เกียจหดหูเหนื่อยเราจำอารมณ์ เมื่อสักสองามชั่วโมงหรือชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ไหมเนะี่ยเราท่านอนแล้วก็รู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมานะเราก็ทําความรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนตื่นนั่นแหละอ๋อนอนอยู่เออเห็นแล้วว่ากายนี้กําลังนอนจิตใจเป็นคนรู้ว่ากายนี้กําลังนอนอยู่เอนอนอยู่ในท่าไหนก็รู้สึกชัดนะรู้สึกชัดถึงว่าร่างกายมันมันสดชื่นดีหรือร่างกายมัน ดูเหนื่อยล้านะทำงานหนักเดินทางไกลใช้ความคิดมากอะไรแบบนีน้หรือว่าปฏิบัติธรรมปลอดโป่งโลงสบายไม่ได้คิดมาสองสาวันละนอนหลับพักผ่อนดีตื่นมาก็สดชื่นเราสังเกตดูตัวเองแต่ละวันเลยว่ามันเท่ากันไหมนะเช่นการตื่นในแต่ละวันอาการของกายมันเหมือนกันไหมอาการของใจมันเหมือนกันไหมนะ เราดูไปอ๋อตั้งแต่ตื่นเราก็เห็นนะสำรวจดูความรู้สึกตัวมันสามารถมาได้ตั้งแต่ตอนเราตื่นนอนเลยนะตื่นนอนเราก็รู้สึกว่ากายมันอยู่ท่าไหนทำอย่างไรนะแล้วก็ทำความรู้สึกไปเรื่อยนะเรก็ค่อยพลิกค่อยลุกค่อยล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำใช่ไหมล้วก็ตามรู้ความรู้สึกตรง น, นั้นไปเรื่อยนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะ แต่ถ้าเราไปทิ้งอิทยาบทหลักเช่นการนอนก็ดีหรือแท้จริงก็มันก็ต่อนเนื่องได้อิทธิบทย่อยที่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายที่จริงสิ่งต่างๆ่างเราเนี้ยเป็นการฝึกนะเป็นการเรียนรู้เราจะรู้จักอะไรนะเพราะว่าเรามีชีวิตนะชีวิตมันมีสองส่วนง่ายๆก็คือเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของใจนะง่ายง่าย ทั้งการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ชีวิตหรือภาษาพระท่านเลบอกว่าให้มาเรียนรู้ทุกนะทุกที่พวกเราได้ส่วนมันก็คือทุกเพราะว่อุปทานขันทั้งห้าขันก็คือรูปกับนามหรือว่าภาษาเราก็กายคือใจฉะนั้นถ้าจะว่าภาษาปัจจุบันังสือผู้ชาตินสอนให้เรามาเรียนรู้จากชีวิตของเราเองมาเรียนรู้จากรูปจากนามมาเรียนรู้จากกายจาใจ ดังนั้นตําราเล่มใหญ่ของพวกเราก็คือกายแล้วก็ใจนะดังนั้นการที่บทเรียนที่มาศึกษาก็ต้องมาศึกษาเรื่องของกายและเรื่องของใจการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาศึกษาเรื่องของกายและเรื่องของใจนะี่แหละนจะปฏิบัติธรรมวิธีไหนรูปแบบใดนะมันก็เป็นเรื่องของกายและของใจทั้งนั้นจากขั้นไหนนะขั้นเบื้องต้นขั้นทํากลา ง, าางหรือขั้นถึงที่สุด นะก็เป็นบทเรียนตรงนี้เหมือนกันเรื่องของกายเรื่องของใจไม่มีอะไรหนีพ้นเลยนะอันนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราต้องไม่ดื่มกายไม่ดื่มใจใช่ไหมถ้าเราดื่มกายถ้าเราดื่มใจเราก็เรียกว่าเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคล้ายๆนักเรียนนักศึกษาเนาะคุณครูให้อ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเราดืมหนังสือเล่มนี้ไว้ที่บ้าน ที่โรงเรียนนะไม่ได้เอาติดย่ามติดกระเป๋าไว้เราก็ไม่สามารถมาเปิดอ่านได้ตําตรากายตําราใจก็เช่นเดียวกันแม้มันจะติดนะไป ต, ะตอดกับเราทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะแต่สิ่งที่สําคัญคือคนเราลืมที่จะเปิดอ่านเขาหรือใช้จะพูดคือลืมที่จะดูเขากายมันก็เดินยืนนั่งนอนทํานั่นทํานี่ก็ทําของมันไป แต่ใจมันต้องลอยไปคิดน่ะต้องรอยไปอยู่กับอารมณ์ไปจมกับความเศร้าไปจมกับความสุขอันนั้นปัญหาหลักนของคนนะหรือจะเรียกว่าสัรพสัตทั้งหลายคือการดื่มกายดื่มใจการดื่มกายดื่มใจนี่คือปัญหาหลักที่ทําให้เราตกอยู่ในธาตุของความคิดก็ว่าได้น่ะอันนั้นการปฏิบัติธรรมนะมีรูปแบบก็ดีไม่มีรูปแบบก็ดีก็คือว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน กลับมารู้ที่ปัจจุบันกลับมารู้ว่ากายตอเนี้ยมันทําอะไรอยู่กลับมารู้ว่าใจตอนนี้ยมันทําอะไรอยู่นะเบื้องต้นอาจจะง่ายๆก็ได้นะสําหรับคนใหม่เลยตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆก็ดีนะตั้งคําถามแล้วอตอนนี้กายกำลังทําอะไรตอนนี้ใจรู้สึกอย่างไรมันจะทําให้เรามีสติได้ง่ายๆชัดเลยนะพยายามถามตัวเองแบบนี้ก็ได้น ะ, นะแต่จะให้มันติดมากก็ถามอาจจะ อ่าแล้วรู้ได้ไหมอ่ะกลับมาดูดูเรารู้สึกว่าากําลังนั่งอยู่แบบไหนยืนอยู่แบบไหนกินข้าวแบบไหนคุยกับคนอื่นเป็นแบบไหนนอนเป็นแบบไหนอ่าเบื้องต้นเลยสําหรับผู้ใหม่อ่าลองถามตัวเองบ่อยๆนะตอนนี้เรารู้สึกตัวไหมตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ใจรู้สึกแบบไหนให้มันจะได้กลับมาดูตัวเองกลับมาสํารวจดูตัวเอง อันนี้คือเป็นการทําความรู้สึกตัวแบบไม่ง่ายนะคือการกลับมาถามตัวเองมันจะได้กลับมาย้อนดูตัวเองเพราะว่าความคิดนะมันจะพาเราไหลไปอยู่กับอารมณ์ไปกับความคิดอะไรต่างๆพอเรากลับมาถามตัวเองมันเป็นการย้อนกลับมาดูตัวเองได้อันนี้เป็นเป็นการทําความรู้สึกตัวแบบไม่ง่ายนะอาจจะเจือด้วยความคิดหน่อยนะอาจจะเจือด้วยความตั้งใจหน่อยนะแต่ถ้าเบื้องต้นอ่ะก็ไม่เป็นไรถือว่า ทำให้อย่างน้อยก็ดีกว่าหลงไปคิดนะดีกว่าหลงไปอยู่กับอารมณ์ไปจมกับความรู้สึกอะไรต่างๆนะแต่คราวนี้ถ้าเราจะฝึกหัดมากขึ้นกนะารปฏิบัติธรรมในรูปแบบมันก็จะช่วยให้เราสามารถรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องขึ้ น, นเรื่อยๆนะเราเดินจงกรมก็ดีเรายกมือสร้างจังหวะก็ดีใช่ไหมเราก็อ้อเนี่ยเราก็จะเห็นชัดอยู่เพราะว่า ยาบทตัวนี้ยมันมีความตั้งใจเจือเข้าไปไอ้ท่าสิบสี่จังหวะเรายกไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะยกใช่ไอมแต่ก็จะเห็นเลยว่าความตั้งใจในการยกเบื้องต้นเออเราตั้งใจแต่พอยกไปยกมามากลับเป็นอัตโนมัติบางทีเราก็สามารถยกมือได้ถูกท่าแต่ใจก็ล่องลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดจบแล้วก็กลับมารู้ว่ากาลังยกมืออยู่ เดินจงกรมก็เหมือนกันเดินกลับไปกลับมาออ แ, แรกๆก็ตั้งใจที่ว่าจะรู้สึกกับการเดินแต่สักพักอา้าใจก็ไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดินเป็นนาทีสองนาทีอา้าค่อยรู้ว่าตัวเองกำลังคิดหรือบางทีเดินเป็นชั่วโมงก็คิดมากมายสรารพาัดเรื่องถามว่าที่พูดแบบนี้มันผิดไหมไม่ได้ผิดนะเพราะนี่ก็คือธรรมชาติของจิตนะ คือเราไม่ได้เรียนรู้แค่กายมันกาลังทําอะไรแต่บทเรียนต่อไปคือเราจะเห็นว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นแบบไหนด้วยนะคือธรรมชาติของใจภาษาไทยเรียกว่าใจแต่ถ้าภาษาบาลีเรียกว่าจิตก็ได้หรือว่านามก็ได้นะนะก็คือเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ตรงนั้นด้วยจะเห็นได้ว่าโอ้อธรรมชาติของจิตคือการที่มันออกไปรับรู้อารมณ์นะหรือว่าออกไปเสพอารมณ์อันนั้นการปฏิบัติธรรมแล้ว แม้มันจะมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นถือว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะธรรมชาติของจิตมันเป็นเช่นนั้นนอะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่อยากจะห้ามความคิดเพื่อไม่ให้อยากให้มันคิดก็ดีหรือให้มันเฉยเยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่ร้อนนะอันนั้นคือเราไปทำให้มันผิดธรรมชาติองจิตแล้วนะเหมือนกับเรา จะทำให้ธรรมชาติของดินมันเป็นเหมือนธรรมชาติของปูนซีเมนต์มันเปลยนไปนไม่ได้ดินมันย่อมเรียกว่าซึมซับน้าฝนตกลงมามันก็ซึมก็ไหลเข้าไปมันก็พุมันก็ร่วนลงไปใช่ไหมนะมันมีธรรมชาติที่ซึมซับน้าไม่เหมือนกับปูนซีเมนต์ที่มันไม่ซึมน้าลงไปอะแต่ คนเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมบางทีเราคิดว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วมันต้องไม่คิดนะมัต้องเฉยเฉยต้องเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะคล้ายๆเหมือนกับเสา อ, เ อ, อ่ะเไม่ต้องเฉยเฉยนะมันต้องนิ่งนิ่งนิ่งนะมัต้องไม่มีอารมณ์นะเราไปคิดแบบนีน้พอเราไปคิดแบบนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําจิตให้เป็นแบบนั้นซึ่งมันผิดกับประรักของการปฏิบททัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของการไปบังคับสิ่งใดให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะเราอยากให้มันไม่คิดเราก็ไปเวยบังคับให้มันไม่คิดเราอยากให้จิตมันสงบเราก็เลยไปบังคับให้จิตมันสงบซึ่งไม่ใช่หลักในการปฏิบัติธรรมแบบพุทธศาสนาแต่วิธีการนั้นเรียกว่าเป็นการทาสมาธิแบบก่อนพุทธศาสนานะเป็นการ ขดข่มอารมณ์ก็ดีเป็นการบังคับอใจให้มันไม่คิดก็ดีให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์เดิมก็ดีทําไปแล้วเกิดอะไรเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความสบายแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดก็คือมันไม่ได้เกิดปัญญานะมันไม่ไดเกิดปัญญาในการเห็นความจริงเข้าใจความจริงเพราะงั้นการทําสมาธิเช่นนั้นนะ ม, นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล จนถึงตอนนี้ก็มีนะไม่ได้หายไปไหนอยู่ในศาสนาอื่นก็มีเช่นเดียวกันการทาสมาธิแบบที่เรียกว่าเหมือนเหมือนกบจำศีล น, นะที่ไม่ที่เรียกว่าไม่รับรู้อะไรต่างๆนะอันนั้นเป็นสิ่งที่มันมีมาก่อนนะที่พระเจ้าท่านตรัสรู้อยู่แล้วแต่คราวนี้สิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะท่านเข้าใจท่านประกาศบอกสอนว่าเราคืออะไร คือท่านสอนสมาธิอีกแบบหนึ่งคือสอนสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นควรแก่การงานก็คือจิตใจมันตื่นขึ้นมาจากความคิดจากความหลงจากอารมณ์นะตื่นขึ้นมาเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วเอาจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละไม่ใช่พอใจแค่ความตั้งมั่นพอใจแค่ความสงบนะแต่ยังจิตตั้งมั่นมีความสงบมีความสุขอยู่ในนั้นแต่เอาจิตที่ตั้งมั่นนั้น มาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจนะไม่ใช่ตั้งเฉยๆเหมือนกับท่อนเหมือนกับเสาที่มันตั้งเฉยๆแล้วก็อยู่เฉยๆแค่นั้นนะแต่เราเอาความที่ตั้งมั่นความรู้สึกตัวตัวนี้คอยมาตามรู้กายรู้ใจมันทำงานไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจมันเป็นไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นได้ว่าอ้อกายมันก็สแสดงอาการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นนั้นมีไหมเราเห็นไหมกายมันอยู่นิ่งไหม บางคนจะนั่งดับตานิ่งๆสังเกตไหมมันนิ่งจริงไหมอะไรมันนิ่งไหมน่ะมันมีการหายใจเข้าหายใจออกไหมน่ะกายมันนิ่งให้เราไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมน่ะหัวใจมันก็เต้นของมันนะบางทีมันก็กระดุกกระดิกภายในเขามันเองกระดุกกระดิกภายนอกเองก็มีถ้าสังเกตเลยกายไม่ไม่เคยนิ่งน่ะกายมันจะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อเราตายเท่านั้นแหละน่ะมันถึงจะนิ่งน่ะ แต่จริงมันอาจจะไมไ่นิ่งก็ได้ถ้าต่างๆก็คงเปลี่ยนแปลงไปค่อยๆย่อยสลายค่อยๆเปลี่ยนไปนก็คือเนี่ยเราก็สังเกตดูกายเป็นแบบไหนเห็นไหมกายมันแสดงความทุกข์เป็นแบบไหนเห็นความทุกข์อยู่ในกายของเราไหมที่จริงเขาสอนอยู่แล้วนะกายนี้มันเป็นทุกข์อยู่นัง่งตั้งแต่ทำวัดเช้าจนถึงตอนนี้มันทุกข์เพราะการนั่งมีไหมตาสังเกตหม ความทุกข์มันมาเมื่อไหร่นั่งตอนแรกมันไม่ทุกข์อ้าวแล้วคราวนี้ความเจ็บความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาเมื่อไหร่เห็นไหมเราเห็นไหมว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดความเมื่อยมันไหลเข้ามามันเป็นส่วนหนึ่งนะคล้ายๆเหมือนกับรางน้ํำนะที่มันอยู่ของมันแบบนั้นรล้วถพักพก็มีน้ําไหลลงมานะจะเป็นน้ําดีก็ตามจะเป็นน้ําโสโครกก็ตามใช่ไหม มันไหลผ่านเข้ามาอ้อกายของเราก็เป็นแบบนี้เ น, ะนาะนะเมื่อตอนมีความสุขสารแห่งความสุขก็ไหลเข้ามาเมื่อตอนมันมีความทุกข์สารแห่งความทุกข์ก็ไหลเข้ามาเมื่อตอนร่างกายปกตินะมันแข็งแรงอยู่มันก็แสดงภาวะที่ว่าสดชื่นตื่นตัวขึ้นมาเมื่อตอนที่ร่างกายอ่อนเพลียทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันก็แสดงเข้ามาเอ้ยรากายนี้เป็นแบบไหน กลายเป็นเข็งแค่ก้อนธาตุอย่างหนึง่งเป็นแี็งแค่แค่แวัตถุอย่างหนึง่งซึ่งมีสิ่ ง, งต่างๆจรมาเปลี่ยนแปลงไปอยู่เท่านั้นเราก็แสดงเอ้ากกายมันใช่เราจริงหรือเปล่าถ้ามันใช่เรามันต้องอยู่สภาวะที่เราบังคับได้สิอยากให้มันสุขตลอดนะอยากให้มันดีตลอดนะอยากให้มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยตลอดนะมันใช่ไหมเนี่ยที่จริงเขาก็แสดงเห็นว่าเขาไม่ใช่เรา เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเขาเป็นสิที่บังคับไม่ได้นะแต่ครนี้ปัญหาของคนก็คืออะไรก็คือเราอยากจะให้กายนี้มันดีตลอดไปใช่ไหมอยากให้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่แก่ถ้าไม่ตายก็ดีถ้ามีความสุขอยู่นะอืมแต่ถ้ามีความทุกข์เอออยากจะตายเร็ ว, รวก็มีรับบางคนนะเราก็บางทีเราอยากจะให้กายมันดีตลอดนะ บางคนบำบัดบำเรอบำรุงร่างกายเพราะว่าหวังให้กายนี้มันดีตลอดไปนะแต่พระพุทธเจ้าก็ดีผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ดีท่านจะรู้ชัดเลยว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนาธาตุอย่างหนึง่งที่มันมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ดำรงอยูนะ่เป็นพื้นฐานมีความเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลามีสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้มันเป็นไปของมันเองเราไม่สามารถบังคับก็ได้เลย นะแต่บังคับให้อิ่มตลอดก็ไม่ได้บังคับให้หิวตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะบังคับให้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมันได้ไหมเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าบังคับไม่ได้อนี่คือเราศึกษาเรื่องของกายคือให้เห็นแบบนี้จะเดินจังกรมก็ดีจะยกมือเคลื่อนไหวก็ดีจะดูลมหายใจก็ดีจะดูท้องพองยุกก็ดีจะทาอะไรก็ดีดูให้มาเห็นตรงนี้แหละก็คือว่า เราเอาจิตใจที่ตั้งมั่นหรือว่าจิตใจที่รู้สึกตัวเนี่ยมารู้สึกถึงการเป็นไปของกายมันก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของกายหรือจะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ของกายก็ได้อันนี้แหละถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายมันก็จะเกิดปัญญานะฮะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราสมัยรู้สึกตัวแล้วรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยคือเภราะที่รู้เฉยเฉแล้วไม่ไปปนกับอารมณ์ แต่คำว่ารู้เฉยๆตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําใจให้เฉยตลอดเวลาไม่ใช่แต่ให้จิตใจมันตั้งมั่นแล้วก็เห็นเห็นกายมันทุกข์เห็นกายมันสุกเห็นกายมันปกติแล้วก็เฉยๆกับมันนะเหมือนกับคล้ายๆเราเห็นคนอื่นแล้วรู้รูรู้สึกว่ากายเนี้ยมันก็เป็นก้อนท่าอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปของมันไม่ใช่ว่าถ้ากายมันสุกกายมันดีเราก็ดีใจไปด้วยถ้ากายมันเจ็บกายมันเปวดกายมันเมื่อย แล้วก็ทุกไปด้วยอันนี้คือเราไม่เฉยอันนั้นการรู้สึกตัวการดูเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เนี่ยเป็นผู้มีสติก็ว่าได้ภาษาไหนก็แล้วแต่ก็คือการที่ดูเห็นกายมันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายมันบังคับไม่ได้เป็นไปอะไรของเรื่องของมันเองแล้วก็ดูอ๋อมันเป็นเช่นนั้นของมันเองเนาะอ่ยมันก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงตรงนี้เรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเรื่องของนามธรรมก็เหมือนกัน เราอยากจะห้ามความคิดให้มันไม่คิดมันเป็นไปไม่ได้นะนการปฏิบัติธรรมในสายของพระเทียนท่านยิ่งพูดชัดเลยว่ายิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้มากเท่านั้นอันนั้นเราไม่ห้ามความคิดปล่อยให้ความคิดมันคิดเลยนะจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดเลยนะคิดแล้วเราคอยตามรู้นะรู้เลยนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าไปคิดกับมันนะ มันคิดเรื่องนะ่ะสมมติคิดเรื่องบ้านนะ่ะห่วงบ้านก็ไปคอยจมห่วงไปกังวลไปคิดเรื่อยเปลื่อยน่ะเป็นนาทีเป็ น, ปนชั่วโมงนะ่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นการดูความคิดไม่ใช่เป็นการดูความคิดแต่แบบนี้ก็คือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมนะ่ะแล้วก็พยายามรู้สึกตัวกับสิ่งที่เราทำนะรู้สึกตัวกับสิ่งที่กําลังทําอยู่คราวนี้พอความคิดพออารมณ์มันเกิดขึ้นอ้าวเราเห็นว่า มูดขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามันแทรกขึ้นมาอ้าวกาลังนั่งอยู่ตอนนี้อ้าวมาคิดเรื่องที่มาพูดก็มีนะสังเกตไหมบางทีมันก็ฟังไปคิดไปด้วยนะหรบางทีก็ฟังไปแล้วก็ใจลอยไปที่อื่นเลยก็มีหรือเอาง่ายๆเมื่อกี้สักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราทําวัดสวดมนต์อ่ะเราสังเกตไหมเราไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์ตลอดเวลาเลยนะบางทีบางคนอย่างอย่างพระ หรือว่าโยมหลังคนที่อยู่วัดนานสวดมนต์ข้องไม่ต้องใช้หนังสือก็จะเห็นเลยว่าบางทีก็ปากสวดมนต์ไปร่างกายอยู่ท่านั่งสวดมนต์นั่นแหละแต่ใจมันไม่ได้อินเลยไม่ได้อินกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เผืเหมือนนกแก้วนกขุนทองไปจีเชยอยู่นั่นแหละนะก็มีแต่บางช่วงก็โอ้ศรัทธาสะ ด, ดุดฝังใจก็มีพอก็จะเห็นยม แม้แต่ความศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเรามันก็ยังเปลี่ยนแปลงบางช่วงก็เฉยๆบางช่วงก็ศรัทธาบางช่วงก็ตั้งข้อสงสัยได้ซ้ํามันจริงหรอมันใช่หรอนะมันถูกหรอแตอนนี้นก็มีใช่ไหมเราเห็นนะแม้แต่ตัวเนี่ยที่จริงศรัทธาพวกนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจนะเป็นเรื่องของนา ม, มนธรรมเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราบังคับไม่ได้นะเ อ, า, อาง่ายๆ ครูบาอาจารย์รูปใจที่เราเคารพก็ดีนะเราก็จะเห็นว่าเราก็ไม่เคารพท่านตลอดเวลานะออบางทีเห็นหน้าท่านค่อยเคารพนะบางทีคิดถึงท่านค่อยเคารพหรือบางทีบางวันอารมณ์ไม่ดีเห็นหน้าแล้วก็เฉยเฉยก็มีหรือบางทีเห็นพฤติกรรมที่อะไรไม่ค่อยเราสงสัยหรือเป็นประเด็นในใจของเราเราก็รู้สึกตั้งข้อสงสัยก็มีใช่ไมเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนั้นนะ เหมือนบางคนมีลูกก็ここจะรู้สึกว่าลูกบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าชังบางวันก็น่าตีบางวันก็น่ากอดใช่ไหมบางคนมีพ่อมีแม่ก็เหมือนกันโอ้วันสงการนี่รักพ่อรักแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากอ่าแต่บางวันก็รู้สึกเฉยเฉยไมไ่คิดถึงเลยวันทั้งวัน อ, อไมไ่คิดถึงท่านเลยคิดถึงแต่แฟนคิดถึงแต่เพื่อนก็มีใช่ไหม บางวันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนนะเราจะเห็นเลยว่าจิตใจของเราเป็นเรื่องบังคับไม่ได้มันเป็นไปของมันเองมันจะคิดก็คิดของมันเองนะแต่จริงความคิดมันก็ไม่ใช่คิดของมันเองทั้งหมดหรอกมันก็มีเหตุมีปัจจัยอยู่นะมีอายตนะภายนอกมีอายจนะภายในมีสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาที่ทำให้เกิดเป็นรูปของความคิดเป็นรูปของอารมณ์ เนี่ยเราก็มาเรียนรู้ถึงเรื่องธรรมชาติของจิตด้วยเนาะจิตมันก็ตกในสภาพไตรลักษณ์เหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเรากลำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้แต่ความคิดก็แทรกเข้ามาอ๋อก็รู้ทันการรู้ทันว่าจิตมันไปคิดอันนี้นก็คือการมีสตินะมีสติเช่นเดียวกันดังนั้นการยกมือเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเรายกมือสิบสี่ท่าแค่นั้นนะนะแต่พอจิตมันเผอไปคิดเราก็รู้สึกตัวรู้ทัน จิตมันมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันมีความสุขจิตมันมีความทุกข์เราก็รู้สึกว่าจิตมันมีความทุกข์นะมันต่างกันนะต่างถ้าจะมาบอกว่าตอนนี้เรามีความสุขกับถ้าเราเห็นว่าจิตมันสุขมันต่างกันอตอนนี้จิตมันมีความทุกข์่ะก็บอกว่าเรามีความทุกข์มันต่างกันนะคําว่าเราคือเราไปยึดว่าจิตนี้เป็นของเราแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่เรื่องของจิต จิตตอนนี้มันสุขจิตตอนนี้มันทุกข์จิตตอนนี้มันคิดจิตตอนนี้มันเฉยนะจิตตอนนี้มันปรุงแต่งจิตตอนนี้มันไม่ปรุงแต่งเราเห็นสักแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ผู้ดูนะหรือผู้หรือผู้ที่มีสติหรือผู้ที่ฝึกขัดตนจะมีสภาวะเช่นนี้ออกมาถอยตัวเองออกมาเป็นผู้สังเกตการดูความเป็นไปของโลกใบนี้ดูความเป็นไปของชีวิตนี้ ชีวิตนี้คือเรื่องของกายเรื่องของใจเราก็ดูความเปลี่ยนไปของเขาอ๋อมันเปลี่ยนแปลงมาแสดงละครที่จริงถ้าจะว่าไปนะที่จริงเหมือนเรามาดูละครน่ะเออมันเพ่ใช่เรื่องจริงเราก็เห็นนะละครน้ำเน่าละครน้ำดีอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่เขาแสดงกนะันทั้งนั้นเขียนบทคำกับแสดงนะเอามาฉายให้พวกเราดูชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะมันก็แสดงให้เราดูเหมือนกันดูเหมือนเราดูละครดูหนัง อ่านหนังสือสักอย่างหนึ่งแหละหนังสือก็มีใครยึดไหมว่าหนังสือมันเป็นเรามีใช่ยึดไหมว่าละครเรื่องเนี้มันเป็นเรามีใครยึดไหมว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นเราไม่มีใครยึดนะไม่แต่ผู้กํากับเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เรายึดคืออะไรเรายึดว่ากายเนี้ยใจยเนี้ยคือเราแล้วที่พระเจาท่า น, นสอนนะในแบบในเบื้องต้นคือขั้นต้นเราต้องมาละ นะการยึดถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราถ้าใครละตอนนี้ได้ก็คือเข้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลนะหรือเป็นเรียกว่าเข้าถึงกระแสโดกุตระธรรมก็ได้อันนั้นสักยัตทิฐิเบื้องต้นคือการมาละความสำคัญผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเรานั้นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนะให้เราจับเป้าหมายหลักนี้ให้ได้คือเราจะมาฝึกปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดนะคือ แต่ละความเห็นผิดได้ก็ต่อเมื่อเห็นถูกเห็นถูกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรานั้นะการจเจริญสติก็คือให้มาเห็นตรงนี้ให้มาเห็นว่ากายนี้ยใจนี้ไมนเป็นของเราที่ไหนดูลงไปเลยน่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีอ่าถามตัวเองปลุกตัวเองออกมาให้ตื่นออกมาจากความคิดจากความหลงก่อนก็ได้แล้วก็ตอนนี้พอมีจิตตั้งมั่นก็คอยดู ความเป็นไปของกายแล้วก็ของใจมันเปลี่ยนแปลงแสดงละครให้เราดูก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันเองนะมันเป็นเช่นนั้นของมันเองดูมันไปเรื่อยๆเลยนะมันแสดงของมันเองตั้งแต่ตื่นจนดับนะหรือถ้าบางคืนมันมีสติต่อเนื่องแม้แต่ตอนหลับก็เห็นมันแสดงละครนะแสดงละครนอนก็เบืออไม่ได้นอนนะมันเหมือนรู้สึกตัวอยู่ตลอดก็มีนะประมาณก็นอนดับไปเลย รู้สึกโดยทีตอนเช้าตอนตื่นก็มีก็ออกแน่ไม่ได้นะเพราะอะไรที่จริงแต่ ป, ปฏิบัติธรรมจะมีสิ่งที่พาดตอนนี้คือเราอยากให้สติมันเกิดตลอดเวลาอยากให้สติมันเกิดต่อเนื่องอันนี้ก็คือความพลาดของการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคือเราอ า, อาจจะรู้เลยค่อนข้างจะรู้แล้วว่าความคิดมันห้าไม่ได้นะกายมันก็ห้าไม่ได้นะ อารมณ์ก็ห้ามไม่ได้นะแต่เราอยากจะบังคับให้แต่เราอยากไม่เหมือนคําว่าห้ามหรอกแต่เราอยากจะให้สติมันเกิดตลอดเวลาเราอยากจะให้สติมันเกิดต่อเนื่องนะอยากจะให้รู้อย่างเดียวไม่อยากให้หลงครงนี้ก็คืออะไรนักปฏิบัติธรรมก็เลยเปพาดในส่วนของเราก็จะจงใจที่จะรู้นะจงใจที่จะดูหรือจงใจที่จะประคองไอ้ตัวรู้สึกตัวต่อเนื่อง มันก็เลยไปการเห็นอย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไปเห็นรูปข้างหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราไปรักษาไอ้ตัวรู้ไว้ตลอดเลยนะไปให้ไม่ให้มันหลงให้ตัวรู้ตอนนี้มันแข็งมันทื่อมันดูอารมณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ตัวรู้เนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมันเกิดมันดับไม่เคยเห็นเปลี่ยนแปลงไปเลยนะเพราะจริงที่จริงพระอาจารย์สอนว่าไม่แต่สติมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับนะเพราะสติมันเกิดขึ้นกับจิต จิตมันเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับอันนั้นที่แท้จริงแล้วสติไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ผิแต่ว่าเราให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ให้มันดับไปตามธรรมชาติของมันแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเราไม่ใช่ประคองสติไว้ตลอดเวลานะนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไปหลงประคองสติไว้ไปตั้งตัวรู้ไว้แล้วก็ดูสิ่งอื่นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ตัวรู้นี่คงที่ นะเหมือนสมมติคล้ายๆเหมือนอาตมาเนะี่ยดูพวกเราทุกคนเราก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยจะดูถ้าเดียวซึ่งมันไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ที่จริงตัวรู้ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาตัวรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็มันก็ดับไปมันดูแล้วพอเคลื่อนไหวถ้าใหม่ตัวรู้ก็เกิดขึ้นมาใหม่นะที่จริงมันไม่มีตัวรู้สึกตัวที่ตลอดเวลาต่อเนื่องไม่ใช่แต่คือที่เราฝึกคืออะไร ฝึกให้ตัวรู้มันเกิดขึ้นทีทีนะเกิดขึ้นทีทีเกิดขึ้น บ, บ่อยบ่นะมันถึงจะเป็นปัจจุบันธรรมนะมันถึงจะเป็นตัวรู้ที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไปดังนั้นการที่เราฝึกรู้สึกตัวแล้วก็บังคับให้ตัวรู้หรือตัวสตินี้มันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเอาศัยการเคลื่อนไหวเนะี่ยเป็นการปลุกธาตรู้เป็นการปลุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมานะเราเคลื่อนไหวน่ะ เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกรู้สึกลงไปถึงความที่กายกำลังทํำใดอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งตัวรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวรู้มันรู้ทันใจนะพอมาคิดไปอ่ะรู้ปั๊บอันนั่นก็คือเรียกกว่ามีสติแล้วอารมณ์อะไรเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นอ่ะรู้ว่าจิตมันสุขนั่นก็คือรู้สึกตัวแล้วจิตมันสงสัย มันมีความสงสัยก็เห็นว่าจิตเป็นสงสัยนั้นก็คือรู้สึกตัวแล้วนั้นสติก็ตามตัวรู้สึกตัวก็ตามมันเกิดขึ้นแบบนี้นะมันไม่ใช่เราเจะตั้งใจประคองให้มันรู้สิบสี่ท่าเป็นแบบนี้เป็นชั่วโมงเป็นทั้งวันนะบางคนไปสับสนเขาว่าที่หลวงพ่อเทีนเขาบอกว่าให้รู้สึกตัวนะตลอดเวลานะให้เป็นลูกโซ่นะใช่ไมบางทีเราก็รู้นะว่าลูกโซ่มันเป็นแบบไหน แต่วันทีเราก็ทําไปมันแข็งทื่อเหมือนเบ็กเส้นเพราะอะไรมันกลายเป็นสมาธิที่ประคองเป็นการประคองตัวรู้นะ ม, นมันประคองไว้แบบนั้นอ่ะให้มันรู้เบาๆทสบายสบายรู้นิ่มๆแบบนั้นไปเอาตัวรู้ไปอยู่กับความเบาความสบายนะแล้วก็เฉยๆแบบนั้นนะมีความสุขอยู่แบบนั้นอ่ามันเป็นการผิดทางเนาะอันนั้น แม้ความคิดจะเกิดขึ้นก็รู้ทันมันแม้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่าอ้อมันเป็นไปของมันเองนะอย่างที่หลวอเทียนท่านบอกยิ่งคิดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้มากเท่านั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมแบบตรงนี้นะเราไม่ห้ามความคิดมันจะคิดก็เชิญมันคิดแต่เราไม่คิดตามมันนะเราจะเป็นผู้ดูมันอ้อเห็นว่าจิตมันคิดเรื่องของจิตนะเห็นว่าจิตมันสุขเรื่องของจิตเห็นว่าจิตมันทุกข์เรื่องของจิตนะ เรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้สังเกตการดูความเป็นไปของเขาเองเ น, นี้คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะตั้งแต่เราตื่นจนหลับแต่เรายืนเดินนั่งนอนเราทำอะไรก็แล้วแต่นะกินดื่มขับถ่ายนะพูดคุยนะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถมีสติได้เพราะว่าอะไรบทเรียนที่เราเรียนรู้ก็คือเรื่องของกายเรื่องของใจถ้าตำราเจ้านี้มันติด ไปตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่เบื้องต้นเลยนะสรุปอนามาสรุปก็คือเบื้องต้นกลับมารู้สึกตัวก่อนรู้สึกว่าปัจจุบันนี้กำลังทําอะไรอยู่นะกำลังทําอะไรเนี่ยก็คือถ้าจะใช้ก็คือว่ากายมันทําอะไรใจมันมีอาการแบบไหนอ น, นี้คือการรู้สึกตัวรู้สึกตรงนี้ไปนะอันนี้พอจิตใจเรารู้สึกตัวได้เร่นานี้ก็ค่อยศึกษา ความเปลี่ยนความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะจะไปพอใจแค่ความนิ่งความสงบความสงบนะจากสมาธิหรือว่าจากการรู้นะจะไปพอใจมันรู้แล้วก็วางไปด้วยนะรู้แล้วก็วางตัวรู้ตรงนั้นไปด้วยนะสงบก็พอก็แล้วก็วางความสงบไปด้วยนะแล้วก็เอาการรู้สึกตัวเนี้ยคอยดูความเป็นไปของกายหัวใจตลอดเวลาให้มั น, นเนืองๆนะให้มันต่อเนื่องนะ แต่ก็ไม่ใช่ไปแบบประคองนะไปบังคับสภาวะ ต, ตัวดูไว้ให้เป็นธรรมชาติสบายๆนะทําสบายๆแล้วก็รู้ไปสบายๆแบบผ่อนคลายอย่าไปจริงอย่าไปจังอย่าไปเครียดเกินไปนะแต่บางทีแล้วก็ห้ามไม่ได้อ้าก็รู้สึกว่าอตอนนี้มันเครียดแล้วมันจริงจังละนะเดินไปต่อเนื่องเกินไปก็จริงจังอยากจะได้อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะให้มันสงบอ้าก็รู้ทันนะ บางทีเราก็ทำด้วยความอยากนะเราก็จะสังเกตความอยากนี่แหละมันทำให้เราทุกข์นะแต่ถ้าไหนเมื่อเลิกอยากมันก็เลิกทุกข์เนาะแต่ความอยากก็ห้ามไม่ได้เอ้าก็ตั้งใจว่าจะไม่อยากเนาะก็คือความอยากที่จะอยากไม่อยากนั่นแหละใช่ไหมอืมมันก็เป็นการอยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ห้ามไม่ได้ก็เห็นอ้ออ้อมันอยากกันเนาะมันก็ทุกข์นะมันก็พอเรารู้ทันมันก็เลิกอยากของมันเองอันเนี้ย แล้วก็ทำได้เพียงแค่รู้นะแค่ดูนะแค่เห็นเขาเป็นไปเห็นเขาแสดงละครไปเรื่อยอันนี้คือในการปฏิบัติทำเราก็ทำเช่นนี้นะแต่บางทีแต่แต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นที่จริงทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตเราก็เป็นปกติแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้ก็คือผลในปัจจุบันนะผลเฉพาะหน้าที่สัมผัสได้ในปัจจุบันเลย แต่บางทีบางทีเราก็มักจะมองข้ามเตลละเลยหรือไม่ค่อยให้ค่ากับผลในปัจจุบันนี้นะบางคนก็อยากจะได้ว่าเมื่อไรจะจะถึงนิพพานเมื่อไหรจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหรจะแยกรูปแยกนามได้บางทีแล้วก็จะไปให้ค่าตรงนั้นเราก็ได้ดื่มดื่มว่าผลที่ปัจจุบันแค่รู้สึกตัวนั้นเนี่ยมันก็สามารถถอนออกจากความคิดจากความหลงจากความทุกข์ได้แล้วนะ แต่พอเราไปคาดหวังผลที่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่มาพูดเมื่อกี้นะมันก็ทําให้เราไปคล้ายๆไปทุก์คล้ายๆเหมือนเราทํางานน่ะทํางาน ต, นตอนต้นเดือน เ, อเราก็ทํางานเสร็จไปวันๆไปวันๆไปวันๆแต่เราคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนเมื่อไหรจะได้โบนัสเมื่อไรจะได้สองขั้นอะไรเหมนน่้เมื่อไหรจะได้เลื่อนตําแหน่งใช่ไหมเราก็ไปคิดนั้ะที่เราจะตั้งใจการทํางานไปเรื่อย เราจะเห็นไหมความอยากพาให้เราทุกข์ไม่ใช่งานทําให้เราทุกข์นะที่จริงงานก็มันก็ทุกข์มันก็เครียดมันก็ส่วนหนึ่งละแต่ความอยากนี่นไปเพิ่มดี ก, กีของความทุกข์ในใจของเรานะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะเรามาถูกทางเรามีเป้าหมายที่ดีแล้วนะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะในการรู้ทันจิตใจที่มันมีความอยากเกิดขึ้นด้วยความอยากเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่เราคอยรู้ทันมันให้เร็วนะความอยากมันเหมือนกับกองไฟแล้วก็เชื้อแล้วก็มันไหม่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันมีความอยากตลอดเวลาแหละถ้าเราไม่อยากเราก็เป็นพระอรหันแล้วนะเป็นกันทุกคนมีความอยากในทุกด้านอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเอาอยากไม่มีไม่เป็นไม่ได้ไม่เอาก็คือความอยากทางนั้นแหละนะมันมีทุกคนนะแต่สิ่งที่เราสําคัญคือเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วมันจะละขอมันเองนะมันจะละขอมันเอง รู้ทันอะไรก็คือรู้ทันกายรู้ทันใจนะเราจะรักความอยากของมันเองนะ่ยคือหน้าที่หรือว่าเป็นกิจที่เราจะพึงทําในอริยสัจทั้งสี่นะผู้เจ้าหน้นสอนหลัสกสําคัญที่สําคัญมากของพุทธศาสนาคือเรื่องอริยสัจอริยสัจข้อแรกคือเรื่องของทุกข์ทุกข์เราต้องรู้นะทุกข์คือสิ่งที่ต้องรู้นะทุกข์คือกายทุกข์คือใจเนะี่ยเราก็มาเรียนรู้ทุก นี่ยเราทำถูกอริยสัจข้อแรกและมาเรียนรู้ทุกก็คือเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอริยสัจข้อสองคือการละสมุทยัยก็คือละตัณหาเมื่อเรารู้ทุกก็คือรู้กายรู้ใจมันจะละความอยากความไม่อยากของมันเองนะเนี่ยนร่มนละของมันนะเริ่มจากการรู้ทุกอย่างถูกต้องนั่นแหละอย่างเป็นผู้สังเกตการเนีย่ยเป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมกับกายกับใจนี้ มันจะรัความอยากของเขาเองเมื่อนั้นมันก็เกิดผลก็คือความไม่ทุกข์เกิดขึ้นนะี่โรทะนี่โลเกิดขึ้นแต่ในขนาดเบื้องต้นมันก็เป็นแค่ชั่วข่าวนะมันไม่ใช่ตัดเป็นมรรคเป็นผลนะมันเป็นชั่วข่าวมันก็เกิดความไม่ทุกข์ในขณะนั้นแป๊บหนึ่งนะาอาจจะคิดใหม่อาจจะลไปใหม่ก็ไม่เป็นไรก็รู้ใหม่นะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญก็คือมรรคมรรคก็คือการทําให้มากทําให้เจริญนะ จะเดินก็คือการทําให้มากทําให้ต่อเนื่องทําให้เบ่ยๆเนี่ยเราปฏิบัติทำเราอยเวไทิ้งหลักอริยสัจ ส, สตรวนี้นะทุกคือสิ่งที่เราต้องรู้คือรู้กายรู้ใจละความอยากที่เกิดขึ้นนะในใจนี้มันก็เป็นการทำนิโรธให้แจ้งเป็นการเดินตามทางมรรคนะถ้ทางทางสายกลางแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ฝากพวกเราไว้เนะาะเพราะว่า ทั้งทั้งพระก็ดีที่ได้มาบวชนะจะ ก, กี่ปีจะ ก, กี่วันก็ดีเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่กำลังจะเดินเดินทางมากตรงนี้นะทําความเข้าใจเรื่องอเยสสีเช่นเดียวกันแม่ชีก็ดีญาโยมก็ดีก็คือผู้ที่เดินทางนี้เหมือนกันทางสายกลางนั่นเป็นทางที่ชาวพุทธพวกเราทุกคนนะควรที่จะเดินนะควรที่จะเดินอย่าไปเดินทางสายอื่นทางฝึกตรงทั้งสองทาง มีมากมายนะทางสายกลางพวก็เรามาเดินมาศึกษากันแล้วก็เราพวกเราทุกคนจะได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันเนาะอันนมาก็คงพูดในวันนี้คงพอสมควรเกวลานะขอทุกคนจะเดินในธรรม